พระธรรมเทศนาลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าสิ่งส ป, ปายะหายากในโลกเขาอยู่ไต่ฝาเห็ดยังไรละ่ะแก่ไขตามสถานาการณ์อย่ามันห่อนอก็ไม่เดียวแก่เดียวนึงเนี่มันหนาวก็ไม่เดียวนึงก็ เป็นมาตั้งแต่พวกเฮาเพื่อนเกิดเขาเกิดมาเ ก, ก็เลยพบมาเจอกันจรงจี๋ในหลักของพระพุทธศาสนาพันว่าส ป, ปายะอุตุส ป, ปายะอากาศบอ่อห่อนบอ่อหนาวจนเกินไปบอ่อห่อนบอ่หนาวจนเกินไปแนวอุตุส ป, ปายะฝนก็บรตกมากจนเกินไปแล้วก็บอ่อแห้งแรงมากจนเกินไป ดินฟ้าอากาศพ่อมาะแต่จะเฮาจะหาใดไจังไดละ่ะหาบ่ได้ในโลกอะนะ่ยอย่างกรุงเทพเมื่อกี้ก็น่ำทถูมเกินไปมาน้าฝนประตกเออกรอนขี้าก้อนขีมเมกขี้ใสก็เอาสารเคมีไปพ่นใส่ห้มันตกเนี่ยมันแหงมันแหงก็เกินไป มันตกเกินไปหนาวเกินไปห่อนเกินไปมันหาความพอดีเนีอุตุส ป, ปายะอาหาระส ป, ปายะอาหารเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายเป็นว่าบอมนันอาหารที่ประหารดีอาหารทานเข้าไปแล้วบอบอทับ ถาดขันจนเกินไปอาหารอาหารสัพเพยะเสนาสนะสัพเพยะเศนาชนะเป็นที่สบายคือเขาอยู่พ่อประทังบลํบาบากจนเกินไปกันเหลือบกันยุ่งกันหอนกันหนาวพ่อสมควรเป็นที่ปกป้อง เป็นที่อยู่สบายเพราะในพาวนาเสนาน้เสนาสนะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายปุคระสปายะบุคคลเป็นที่สบายกันอยู่น้ากันได้หลายคนมีความเห็นแนวเดียวกันบอยอย้อนรักษาสินเสมอกันบ่ทำให้โมลังเกียดว่าตัวเองในยอ่อย้อน ตอนรักทาผีได้ย่อยอนต่อกฎหมายกันยอยอนต่อกฎหมายเขาก็จับเอาคุกคนไปแปลว่ามันบทสัพปยายละอันนี้ก็คือถาวาอยู่เป็นพระสงฆ์อยู่น้ากันกันยอยอนต่อผีได้เขาก็ต้องไล่หนีต้องประนา้าต้องเอาม า, ว, า, าว่าเก่าอันนี้ก็คือปุกกะระบางที่จะเป็น คนอยู่น้ำกันค่ะเป็นผิดเป็นผ่ายต่อกันก็มี่พยาบาทอาขาดปางปองลายกันก็มี่อันนี้เป็นวา่าปุคระบ๊สับปายะการบุกบุระสับปายะเนี่เป็นที่เข้าใจกันอ้การอยู่ด้วยกันการอยู่น้ำกันเขามีจุดประสงค์อย่างในการเป็นอยู่อันนี้ก็เข้าใจกันได เออเฟื่อออ อ, อาลี่ต่อกันแบ่งสรรปันส่วนกันหูจักน้ำจัดให้ให้จักจิตจิตหูจักใจกันอันนี้แปนว่าปุคระสปายะบุคคลเป็นที่สบายแต่มันก็ยากทุกอย่างเนะ่ยถ้าจะว่าไปแล้วพอ ก, กินบุคคลกัเป็นผูมีกิเลตอีกแถึกใจเฮาทุกอย่างก็บบ่ได้ เพื่อให้ใจเขาเหาก็ยังบวถึกใจเห่าจะาให้ผู้อื่นถึกใจเห่าใดจังใดบางที่ใจเขาอยากจะให้มันสงบมันปุ๋งมันฟุ่งเขาอยากให้มันสงบมันก็บ่สงบเพียงแค่นี้เห่าก็ดงูจักรวรรดใจเห่าก็ยังบวบวถึกใจเห่าแล้วผู้อื่นอยให้มันถึกใจเห่าใดจังใดมันก็ยากอีกก เท็จังใดระบาดกานอกจากปรับตัวเจ้าของท่านอะไรละทุกอย่างต้องปรับติดตัวของเฮ้าคำมันห่อนเฮ้าก็เบิ้งแก้ไขตัวของเฮ้าคำมันหนาวเฮาก็แต่งแก้ไขตัวของเฮ้าเน่ยเป็นแตงตินฟ้าอากาศโอ้เ ป, เป็นเรื่องใหญ่เกินไปอาหารทรัพย์ปายะ อ, อาหารที่ใดมากเฮาก็เตีองเลือกเฟ้น ที่ให้เกิดประโยชน์กับถาดขันของเห่าเอออย่าไปหาฉันเถี่ยวมันจะีพิษ เ, เป็นพิษเป็นไพ่ฉันเข้มเกินไปฉันเพชรเกินไปก็บ่ได้ก็บ่บถึกพ่อมอกอาหารทัพยะ์ไปอุตุสัพยะ์ไะเส น, สนาสนทรัพยะ์ก็เลือกเฟนหาทีมอสมด้วยกันบำเพ็ญภาวนาบ่คุกขี่บ่พุ่งเพ่นผ่านบุญไหว อันนี้เจนาสนะสัพย์ยะให้หูจักวิธีการหลีกเล่นจังหวัดของเฮ้าเนี่ยพันก๊อไรเนี่ยกุตีหลังใดห้านหลังใดที่มันผมมีคนเฮ้าก็ลบปลีกไปพวนาใดโมเมนตจิตเห็นคนหลายๆกระย่างเขามาหาคนก็มีแต่บูนไหวบูนไหวมีแต่ค้นมันก็มีแต่คนแล้วมาหาคนนจะของก็เป็นคขน้นพลังอีก กูจักลบกูจักหลีกเลยชั้นังขันแรกกคุณเขาไปป่ามันปิดเงียบบางมือกับชั้นบังบางมือไปชั้นบังน้าร้อนน่ยเหมืนส่เขากับชั้นเนี่มันนิมอิ่มซะคุนไปพ่อวนหน้าจได้ป่าในเวลาจะคอยมาปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เข้าไปอีกมันอยู่กับจกของทั้งมดขันบ่อ่จักกับจ้าของก็ยังวานอยู่ใส่เอาข้อไปสอด เอาไม่ในีพ่อไว้มันก็ยนโยนเพราะเห็ุไดเพราะห้องผมมีเป็นตัวของตัวแต่ไม่ตัวของตัวก็เอาไปอยู่ในป่าโดงพงไพ่จะไปหาน้าห่อน้นําอุ่นใสมาสันไปอยู่ตามลําพังไปเฉมาต้มน้าห่อนใน ห, ห้าวยวนน้ำอ้อยนายา้าตาลขี้ม่านต่ไสเข้าตรงคิดอันนี้คือขึ้นเข้าตรงบางครั้งเขาก็ต้องมีทุกข์มีโจนบ้ัง บางครั้งเขาก็มีล่ํามีลุ้ยบ้างทุกจนทุกจนจนเกินไปก็อะไรติดลุ้ยคู่มือก็บะไรมันต้องหัวจักฝึกฮัทดัดนิสัยเจ้าของขึ้นกันผู้ที่าะบำเพ็ญเตีองพวนาอันนี้ก็ว่าเสนา ส, นาสนะสั ป, ปายาเสนา ส, นาสนะเป็นทีสบายปุคระสัพยาบุคคลเป็นทีสบายเขาก็จะไปคุกขี้จะไปหาเหลืองคุย จะไปหาเรื่องเอามาว่ามาว่าแล้วยนันเป็นสิเพราะเพราะแว่งกันกันคุยแล้วมันต้องหลายเรื่องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งก็ บ, บอกไปแล้วนะอย่าคุกครีด้วยหมู่คณะนะคุกคลีคืคืออ ย, ย่งคือพูดคุยกันเกินประมาณพดทธเจตภาวนานมันต้องหาูุจักที่ลบที่ปลีกนี่แหละไอ้กุจักพบลีกปลีกตัวหาความสงบ น้ำผึ้งเขามีแต่พูดแต่คุยกันหาเรื่องคุยกันอยู่ตลอดมันก็บ่ได้ละกันมาคุกขี้มีแต่สัญญาอารมณ์เขามาสูจ่ จ, จิตใจมีแต่เรื่องนั้นมีแต่เรื่องนี่นักไปเรื่อยเรืองนี่แล้วยังเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็ยังเรื่องนีน่เพราะเรื่องมนุษย์มันหลายเรื่องขึ้นอย่างไี้การเอาตัดจิตตัดใจของขเขาการเอาตัดจิตตัดใจของเขาเกิดจบแล้ ถึงแต่ห้าวบกเกิดมันไปยังไงปัตนาห้าวอยู่มไปเ น, นี่งไหนปัตนาห้าตายเลยเปยังไงเก็จะเกิดว่าโอ้ยวัดปาหน้าคำหน่อยนะคั้โลงพุอินตายที่จูเจ้าบริกินอย่างนกนะี่แหละเขาแหงจีว่าโอ้ยอยากให้ลงพุอินตายเมือละหารลอยเทือกนะพวกห้องเจดีอยู่สบายจดรวยกวคนนี้เขาก็จะว่าจังสันอีกระบงุง <g ül> ป้อนน่นทั้งหลายเนระาจะไปหาคิดตัวเองอยู่สถานะไหนให้ทําดีที่สดุดในเมื่อลงเป็นลงพอยินก็บลงพอยินก็ต้องทําดีที่สดุดเมื่อนเป็นพระลูกวานก็นทําดีที่สดุดทําดีในนาทีเนี่าไปหาคิดว่าเขาสิงหงอเจ้าของโลกนี้มันมองไมีเห็นพระไรอเจ้าของเนี่ตายมาพุชักรุ่นมาแล้วมิแต่ ก, กิเลสเจ้าของนั่นแหละหาว่าเป็นบุคคลสําคัญมันบอ ม, มีเห็นความสําคัญตายไปแล้วบนโลกเขาสิตายน้าท่งมมดโมเมนเลย บางที่ตายเลยแผ่นดินแห่งสูงขึ้นอีกตั้งหากเซียงโมนี่เข้าต้องคิดเบืเ้องจบของทั้งมดัดถึงจะจิตจังไรก็ตามให้เจ้าของเบืเ้องจาของให้เจ้าของปรับปุงเจ้าของให้เจ้าของพ้นทุกท่านั้นเลิศประเสริฐที่สุดข้นเจ้าของอจะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในญะาไปให้จะไปหาคิดจังสรรอันนั้นคืองโงกอ่กิเลสกิเลสภายในใจของเขานะ่ะมันบมีอความสําคัญ กันเขาจะให้ความสําคัญไม่หยุดในเขาเองว่แมนเท่าจะให้ความสําคัญว่าแมนเท่าจะให้ความสําคัญเจ้าของผู้อื่นเขาให้เองเขาให้เองจะผู้โพดไอเจ้านะเิ่นดไให้ความสําคัญเพิ่นพวกเท่านี่ยให้ให้ความสําคัญยกเจุดชูบูชาอย่างองล้มตาขึ้นธรรมเทศนาของเพิ่นเท่าเป็นผู้ให้เพิ่นโพดไอให้เพิ่นเลยพวกเท่าเป็นผู้ให้ อันนี้คือเกิดผูกเขาจะไปคิดไถ่คะแนนเจ้าของกันไห่ผู้อื่นไห่เขาไม่แต่เบิ้งเจ้าของเท่านั้นเข้าเฮ็ดดีแล้วเข้าเฮ็ดชัวเขาคิดดีแล้วเข้าคิดชั่วทำดีทำชั่วพูด้ดีพูดชั่วเบิ้งเจ้าของไห้มันดีที่สุดแล้ก็จบใครสีหนกสีหน่องจะไหนก็ตามไปเรื่องของเขาแต่ว่าอย่าให้กระทบตนแล้วผู้อื่นอย่าให้ตัวผู้อื่นเติบต่อน อย่าเดือดร้อนผู้อื่นอย่าเดือดร้อนให้เป็นพระที่ดีอยู่ในสถานะเป็นคณะศนระัทธาญาติโยมเป็นพอ่อเป็นแม่ก็เป็นพอ่อแม่ที่ดีเมื่อเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเมื่อบวชก็มั่นกัเป็นพระที่ดีสรุปแล้วก็คือยุติสายให้ดีดีนี่คืออย่างดีนี่คืออย่างดีก็คือเอารักถ้ำขําสอน เอากฎหมายบานเมืองเอาศีลธรรมจริยธรรมนะมาวัดก็ว่าเป็นคนดีเออมือนีเนี่ยทั้งในทั้งในขั่ว เ, เขาเขียนจดหมายน่ะบอกมาเนี่ยบอกว่าเมื่อในวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครบปลอบสิบสองปี ยมพอเขาลงพอเสียมือนีเลยมาเสียอยู่นี่เลยเสียมือนีหนาวที่สุดมือนั้นประลอดลงสามมือนั้นนะมือปีสิบสองปีไฮรังจนน้าข้างหิ่จนแม่น้าข้างที่เป็นเมกนิ่งนะไป จ, จ, จนเกือบสะขาวโพนเลยหยอดหยาหนาวคักยมพอเขามาเสียอยู่นี่เพราะเอามาจากล่องพิบานขอนแกนกเลย อออาจจะทนหนาวบดากรบโบงหคือจังไดก้กระโบหูหรอกว่าส้สำหลักเพราะซ้ำหลักก็เลยไปเลยพุท่าอายุเก้าสิบหกปีเสียตอนบ่ายของวันที่ยี่สิบท่านว่าแล้วกะะ็คุณย่าก็เสียปัญหาคุณย่าไปเสียเมษาจะได้ป่านเนี่ยย่ำฮ้อนอีกป่านเนีฮ้อนชุดชุดด้วยกันในช่วงนั้นแต่เพราะฮ้อนสุดเป็นไรหรอกว่าก็ธรรมดาเนะมษามก็ต้องฮ้อนปเปิดย่ำย่อมพอไปเสีย ท่านว่าย่อมแม่เสียก่อนย่อมพ่อเสียทีหลังมือหนึ่งหลวงพ่อไปกลับไปเยี่ยมผู้เฒ่าเยี่ยมย่อมพ่อย่อมแม่ย่อมพ่อมันก็นั่งอยู่บนอยู่ตนเสาย่อมแม่ก็เขามากมากรับเพราะย่อมพ่อมันยังเกี่ยวมากเพราท่านจืดด้วเราไปมันยังเกี่ยวมากมันมาท่านเขามาแต่ตามมิจิย่อมพ่ะเขามากไกลๆย่อมแม่ก็อยู่ห่างๆ วันนัยมพอเป็นเกียเกี่ยวหมากพวกท่านตืดนนปพกก็นั่งเกี่ยวหมากโยแมก็เลยขามากับขามากับโยมแมเป็นกะกับคู่บา้ยโยมพอเจ้าเน่ะเิ้นบอกว่าให้ผู้ขาไปก่อนได้เิว่าเิ้นจิไปน้ำหลังเปิใครว่าให้เมียตตายก่อนวนไปเิ้นเิ้นถตายที่หลังเมืนนเิว่าสองเถาคุยกันวนนั้นไป ตั้งงพอ่อไว้จะไปฮะไปก่อนไปหลังไปน้ำกันนั่นแหละวามาทำกันไปทำกันนะเนอตันนะงใจพรอวหน้าไปก่อนไปหลังผมมีปัญหาอย่างขอสำคัญให้พรอวหน้าท่านนะ่ะโดยพุทยมแม่อเอาไปมากย่อมแม่ก็บฟัง่ง ย, ย่อมพลีเดินไปไปก่อนเดือนเมษาานไปวันะรย่มพอไปไปทั้งหลังอิหยนไปเดือนท่านว่าเอนไป ห้างกันบกกุกทีกี่เดือนอืมหลงพ่อก็ถามเลยยงพอยองพอ่อเป็นในแถวปะเนี้ยั่งย่านตายอยู่บอกว่าให้ย่านตายก็เพราย่านบุกคืดมันคืดคักแล้วท่านผู้เฒ่ า, าคืดบางจ่านไรก็สิตายอยู่แล้วคืดจ่าไรก็จะตายป้อมม่อมแต่เรื่องตายเนะี่ยแต่าคืดขี่งอ ขึ้ขี่งอธมองใจสิขาดนะนะสันปูดาวเนี่ยตอนใจสิขาดขึ้นขี่งอคือสิทุกขึ้นสิทุกไหลนะตอนใจสิขาดภาษาไทยเนี่ยเขายังเอามาคิดคยู่าวมาขี่งอเนี่ยภาษาไทยเนี่สิแปลว่าจังไนวะสี่แปรซั์ว่าจังไงเขาว่าขี่งอไปหาซับว่างเนี่ยนะสันปูไดหาซัพ์เก่งได้ว่าเขามาขี่งอมันสิสแปลว่าจังไง ตว่าอีสานหนึ่ง right well ันบั่นห้องเราว่าขีงอศใกล้ๆวะขยติขยติเออใกล้ๆวะเยา่อย่านกรบโแมนวนสีกัวกรบโแมนนไปมันเป็นยังไงเลยยังว่าขี่งอในโรงพอยคือกันห้องยางไปเนี่ยยางยางยางยางไปหอดหนาผาไปหอดหนาผาผมมีทังไปบาดเนื้อสต้องโดดเนาะสันโดดไอตอนที่กระโดดนั่ยมันขี่งอจีน้องจีโดดลงมาสันเนตอนโดด บา้าตกต่มไปตายไปกระแล้วตอนที่กระโดดเนี่ยนะอาจารย์พูดถาว่ามันขี่งอที่โดดที่ทาใจจังใดช่วงนั้นช่วงที่จะกระโดดเหวน่ะว่ารย่เนีมันขี่งอรงตรงตรงนั้นนะอาจารยหลวงพ่อหลวงพ่อเนึกอเนืน้อทเออมันเป็นความรู้สึกเออมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งว่าเนี่ไปที่วัดมันลักษณะว่าขี่งออเนี่ยไปแง่คข่ไข่ก็วัดเสียว เดาว่าใคข้าวมันจะกลัวที่จริงจริงจงก็ไม่ใช่ก็างไปเอแต่ว่ามันขันขนข้ามคันข้ามหรือ ข, ขยับขยับเนี่ยลักษณะจังสันออกไปคขาว่าขี่งอนไปนี่แหละยมพอก็ได้มรณะภาพไปเลยสิบสองปีแล้วก็โยมแม่เพราะนั้นในร่างกายของหลงพ่อเนี่ยตั้งแต่หัวจนจดตีนเลยมาจากพ่อจากแม่ ผู้ขา่าหรงพอได้ทําคุณงามความดีเองยังก็ตามขอให้พ่อแม่มีส่วนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าองคหลวงพอ่อที่ทําคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์นางภาวนาะรักษาศีลสงเคราะห์โลกอนุเคราะห์โลกแสดงถ้ำเรียว่าคนขวัาศึกษาพระธรรมวปีในของพระพุทธเจ้าอันไหนที่เกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให ย่อมพอโย่อมแม่มีส่วนในบุญในกุศลทีหลวงพ่อได้ทําทุกประการฮะเพราะว่าเพิ่นได้ให้ร่างกายมากนะเนี่ยแตงแตงหัวจนจนเท่าคือแต่มาจากพอ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผูหมอบไหเป็นผููให้เข้าเกิดมากหลังจากนั้นเพิ่อเกิดเลี้ยงเข้าย่างดีจนห้า่ได้เป็นผูใหญ่ยยึ้นมาป่านนี่แหละคันคำว่าพ่อแม่บริเลี่ยงเข้ามาก เฮาก็คงจะตายแต่เล็กแต่น่อยว่านี้เปิลเลี่ยงเ้ามาเนี่นี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลพ่อแม่ที่เลี่ยงห้ามาเนาาี่เป็นบุพการีเป็นบุคคลผู้มีอุปการะกรแต่พวกเขาจะแสดงความขัดแย้กตัตเวันทิศจังใดเมื่อผลหลวงรับไปแล้วก็มีทางเดียวยังสีแ่แหละพ่อแม่หลวงรับรับขันไปแล้วไปอยูนะพบภูมิใดก็ตามทางวัฏฏฐานบทผลุกบทผลพกททุกในวัตะสงสาร พ่ท่านดึงถึงแดนพระนิพพานดวงวิญญาณของยมพอยมแม่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขาตลอดไปโดยเทอินได้คิดถึงท่านไว้อยู่เสมอเวลาไหวพระสวดมนต์เวลานางภวนาะอันนี้เปนว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละถึงพ่อแม่ทีล่วงลับไปแล้วเฮ้าประยู่เบื้องหลังแต่อย่างที่หลวงพอบอกเนี่ยนะ่เฮ้าได้ป๋อมเพ่นคุณงามความดีท่านศิลปภาวนาไหวพระสวดมนต์สงขอโลกไอ้ยังก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้พ่อแม่ดวงวินด้านพ่อแม่มีส่วน ในการรับรู้รับทราบแล้วก็อนุอนโมทนาบุญกุศลกับเข้าทุกอย่างเห้าพร้อมที่อุทิศมอบบุญกุศลให้พอ่อให้แม่สุดความสามารถของเ้าอ น, นี้ก็คือเป็นนาทีของลูกทุกคนจะต้องคิดจังสันแล้วก็พร้อมกันกับเข้าจะไปหาฝังตให้ลู ก, อ, กอุทิศ่วนกุศลให้ก็บบาดได้เด้ คณะที่เฮายัางมีชีวิตย อ, อยู่เน่ยอันยังที่เป็นคนงามความดีอันอยังที่เป็นบุญเป็นกุศลพวกเฮาก็ขนขวายหาบุญหากุศลก็สู้จิตก็ ส, สู้ใจแหมบ๊อบแอนสิกูเลี้ยงลูกมาหลายคนแล้วละ่ะอ่ะเห็นบาาตายเขาสีททำบุญให้กูรอกกูไปต้องทำเขาได้เดี๋ยวไปหาขึ้นจังสันเน๊ะแต่ขณะยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยก็ยังสอนไปก็ยังไปคนอาทิตย์คนละทาง ออีหลาเออีหลาอ อ, าอบักเท่าเออเฮ็ดจังสีนี่ให้แม่ได้วะทันก็ย่งทะเลถลายจนพ่อแห้งเฮ่ า, าตายไปแล้วโอ้ยโบเห็นเท่าเนะ่ะเขาจะขึ้นจังใดก็ะโปงหูไปลูกไปเอาเงินไปซื้อผ้าไตไปไปบาทอาจจะไปซื้อผ้าสบงสักผืนหนึ่งใชซีหาบาทชุมนันเอาไปกินเหล่าซะไปตบให้โลซะไปฮิตแนวอื่นจะาแกกระโปงหูลงไปพ่อะเหตุใด เนีเฮาจะไปหาหวังเพิงผู้อื่นบ่ได้ไดเลยเฮาต้องหวังเพิงเจ้าของไว้เฮาทํำไวนะ้นี่ยดีที่สุดเนี่ยอย่าไปหวังเพิงผู้อื่นที่จะเขาจะเหตุไรเนี่ยการเป็นลูกเป็นเต่าที่ซื้อสัตว์สุดจริตก็เออเอาเขาเคยที่ทำให้เฮาเต็มความสามารถโดยความจงรักภักดีโดยความกาตันยูก่กระตวเวทิตามันมีหน่อยได้เนีอย่างปู่จังจัดโดยมากมันจะตะเลไหลทะไลส์มากกว่า พกกิเลสพาไปเพราะนั้นพวกเขามีชีวิตอยู่กับพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเขานะั่นแหะเลิดประเสริฐนะประตองหวังพึ่งผู้อื่นอัตหิอัตโนโนาโถนะโกหินาโถปรโรชยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้กันเจ้าของพึ่งเจ้าของก็ยังไม่ได้จะไปหาพึ่งผู้อื่นน่ะมันยากเด อันรับพ่ อ, อนุโมทนาให้พอพวกในขั้วอุทิศส่วนกุศลหาตายายในหน้าวันขบหลอบหลวงพ่อจะทิดขึ้นกันนั่นพระภูเทามาหลวงรับดับขันอยู่นี่ด